คำกล่าวว่าโสดยิยมพรามเอาอย่าพาแปดจำมาถวายพระองค์ก็กดเป็นบันลังประทับนั่งเพื่อตรัสรู้แต่วานจริงตอนนี้คงจะเข้าใจเข้าใจว่าคงจะเป็นปริศนาพาแปลว่าข้องข้องก็แปลว่าติมดมนุษย์ใจสมัยนั้นข้องอยู่ที่โลกกระทา สำนักเลือสีทั้งหลายเขาบำเป็ญเพียนภาวนาธทมสมาธิมันก็คล้องอยู่ที่โลกกระทำทำเพื่ออยากให้ชาวโลกเขาเห็นอัศจรรย์อวดฤทธิ์อวดเดตกิเลสมันยังเต็มเป้าแล้วยังเอาโลกกระทเทอดไว้บนศีสะแต่ท่านชายสีตะเมื่อเริ่มจะมาปฏิบัติในตอนหลังนี้พระองค์เอาโลกกระทไปลองนั่ง ไม่ได้เอาเทิดไว้บนพระเศียรมงนาปฏิบัติเพื่อจะให้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวไม่ต้องการเกียรติยศหรือสื่อเสียงใดๆทั้งนั้นทีนี้พอพระองค์ประทับนั่งอยู่บนบรหลังก็ทรงอธิษฐานและัยว่าเราจะประทับนั่งอยู่ที่ตรงนี้จนกว่าจะได้รับสรลแม้ว่า เรายังไม่ได้ตรัสรุตราบใจเนื้อหนังเราจะเหือแห้งแต่สลายไปก็ตามเราจะยอนตายอยู่บนบัลลังก์นี่แหละพอต่างพระไทยแน่แน่แล้วว่าเราจะจับจุดในการปฏิบัติจุดแรกเราจะเอาที่ตรงไหนเราออกมาทรงดำเริว่าเราจะเริ่มต้นที่จุดไหน ก็ททำให้พระไทยของพระองค์นึกทรงนึกถึงเรื่องอดีตอดีตในทั่วชีวิตของพระองค์นั้นเองทรงลําลึกถึงสมัยที่ยังทรงพระเยาว์พระบิดาทาพิธีแลกนาฝันพระพี่เลี้ยงนางนมปูกพระโอให้พระองค์บัรชมอยู่ใต้ตนว่า ในขณะที่พระพิรียงนางนมแต่ทุกคนเขากาลังเพอเชิญอยู่กับการทำพิธีแลกนาควันปล่อยให้พระองค์อยู่บันทมอยู่โดยลำพังพระองค์เองเพียงพระองค์เดียวโดยสรรชายาญแห่งความเป็นพุทธด้ดยอำนาจแห่งบารมีมากระตุ้นเตือนทำให้เด็กตัวแ็กๆนอนอยู่ในพระอูนั่นแหละ โลจักทำกรรมฐานด้วยการกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพคตสปวัติเขียนไว้ชัดเจนว่าพระองค์ได้บรรลุปฐมมชัชฌะเคือเจ็บของพระองค์นั้นตระกูที่ลมหายใจเป็นตัววิสูทธิาลคอมอยู่ที่จิตที่กำหนดรูลมหายใจเกนวิจาร แล้วก็มีเบติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งหนึ่งเพื่อกิจจจต้องอยู่ที่ลมหายใจไม่วันไหวได้บรรลุปฐมฌ า, า, านพอเราออกมา้ถึงตอนนี้สมเกิดความรู้ขึ้นมาว่าออดตรงนี้เองที่จะเป็นบันไดก้าวไปสู่การตรัสรู้เพราะการทํำสมาธิในจุดนี้มันเป็นการทําสมาธิตามหลักของธรรมชาติ ที่ว่าธรรมชาติก็เพราะว่าลมหายใจเป็นธรรมชาติของร่างกายการหายใจเราจะตั้งใจก็ตามไม่ตั้งใจก็ตามเราหายใจอยู่ตลอดเวลาแม่นอนหลับแล้วก็ยังหายใจอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้จึงชื่อว่าเป็นอารมณ์ธรรมชาติในส่วนจิตวก็มีธรรมชาติรู้เป็นสิ่งรู้อยู่โดยธรรมชาติ พาเป็นแช่นั้นพระองค์ก็เอาธรรมชาติกับธรรมชาติไปสัมผัสกันคือเอาจิตไปรู้อยู่ที่ลมหายใจเท่านั้นแต่สิ่งที่พระองค์จะตกแต่งก็คือสติได้แก่คามตั้งใจตั้งใจควบคุมจิตให้รู้อยู่ที่ธรรมชาติคือลมหายใจเข้าหายใจออกพระองค์ทําอย่างไร บางคับลมหายใจให้มันยาวบางคับลมหายใจให้มันสั้นบางคับงลมหายใจให้มันยาบบางคับลมหายใจให้มันละเอียดแค่นั้นหรือเปล่าทำอย่างนั้นมันไม่ใช่หลักธรรมชาติันแล้วแหละอย่าไปเข้าใจผิดพระองค์เพียงแต่มีสติกาหนดรูลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่โดยธรรมชาติเท่านั้น จนกระทั่งเกิดสมาธิมีวิตกวิจารปีสิสุเอกัสสัสเมื่อสมาธิเกิดขึ้นได้ปฐมมัฌานลมหายใจจะยาวจะสั้นเป็นเรื่องของลมหายใจลมหายใจจะหยาบจะละเอียดเป็นเรื่องของลมหายใจนาทีของพระองค์มีแต่มีสติกำหนดรู้อย่างเดียวพวกเต็มทุกอย่างปล่อยให้มั น, เ ป, นปเป็นไปเองโดยอัตโนมัติ ไม่มีการตกแต่งแต่ประการใดเมื่อเป็นเช่นนั้นอารมณ์ก็เป็นธรรมชาติจิตก็เป็นธรรมชาติมีสติเป็นผู้คอยควบคุมทันต่อเนื่องกันไม่หยุดพาวิตาทำให้มากๆพาหุรีกตาจะทำให้คล่องตัว ท, นทนานิชํานา้นจนกระด้างจิตสงบละเอียดลงไปทีละน้อยละน้อย เจตสงบละเอียดลมหายใจเข้าละเอียดไปด้วยใดที่สดเจตก็ตามลมหายใจเข้าไปสงบนิ่งรู้เอินเบิกบานอยู่ใน่้มกลางตัวลมหายใจหายขาดไปหมดแล้วยังเหลือแต่เจตตับกายยังปรากฏอยู่ในช่วงนี้เจตของพระองค์ที่ใสสว่าง แผ่รัศมีทะลุออกไปทั่วายทั้งหมดตั้งแต่หัวสูดเท้าแต่เท้าสูดหัวมองเห็นปอดกำลังสูดลมหายใจมองเห็นหัวใจกำลังเต้นทำหน้าที่เฉดโเหิตไปเลี้ยงร่างกายทั่วหมดทุกหนทุกแห่งมองเห็นตับกำลังทำหน้าที่แยกเก็บอาหารอันละเอียดจะบริสุทธ์ไว้สำหรับเลี้ยงร่างกาย มองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ทำงานอยู่โดยอัตโนมัติเสึ่งทางแพทยศาสตร์เาว่าอวัยวะทุกต่วนทำงานตามคำสั่งของสมองอันนั้นเป็นเรื่องของแพทย์เขาว่าแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ว่าเป็นแตเพียงมองเห็นว่าอวัยวะน้อยใหญ่ตั้งหลายทั้งพวงนั้นทำหน้าที่ของตนอยู่โดยไม่หยุดไม่หยุดตลอดที่24ชั่วโมง ในเมื่อพระองกําหนดสิ่งของพระองกําหนดรูธรรมชาติของร่างกายอยู่จนกระทั่งรูตะลุกโผลงมอ ด, ดในที่สุดก็จึงเกิดเป็นเรื่องกายยกตาสติสูงขึ้นมาแต่ย่งางข้อนิ迦โยกายของเรานี่แลอุทังปาดัสราเบื้องบนแต่เพื่อนเท่าขึ้นมาเต็มไปด้ยวยของไม่สะอาทีประการต่างๆผมผ ม, ผมได้ปั่นหลังเนื่อเป็นต้นมันเกิดมาตั้งแต่สมัยนั้น ที่นีในถ้ำกลางในขณะที่พระองค์เจษของพระองค์มากำหนดรู้อยู่ภายในกายมองเห็นอะไรทั่วทวนหมดทุกสิ่งทุกอย่างอย่างชัดเจนตอนนี้ถ้าจะเทียบขั้นของสมาธิก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิว่าโดยนเมตรก็เรียกว่าอุคขะหะนเมตร ทีนี้ในเมื่อเจตมาดูภาพนิ่งคือร่างกายที่นิ่งนิ่งอยู่นี่มันเป็นอุปหะนิมิตในเมื่อกำหนดดูต่อไปพลังของเจตมันแก่กล้าขึ้นมันสามารถทำให้ร่า ง, งกายที่กาหนดหมายรูอยู่นั้นกลายเป็นโครงกระดูกหรือมองเห็นเนื้อหนังมันเปื่อยพังลงไปหลุดลงไปทีละกิ้นสองกิน ในที่สุดยังเหลือแต่กองกระดูกกองกระดูกก็โคตรพวลงไปแหลกละเอียดสลายตัวลงไปไม่มีอะไรเหลืออยู่ในตอนนี้มันก็เป็นปฏิภาสในเมธเจิตเท่าึ้นดูภูมิมปัฒ น, นาเรียวกว่าขั้นใช้ปัญญาแล้วแต่ว่าในขณะที่เจ็ดมันทำงานอยู่นี่มันไม่โพดไม่จาเพียงแต่รู้แต่เห็นอยู่เฉยๆทีนี่ในเมื่อปรเกิดของพระองค์นี่มาทาลายร่างกายให้แหลกละเอียด สลายตัวไปแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วมันมีอะไรเหลืออยู่มันเหมือนเหลืออยู่ตั้งแต่ดวงจิตที่ใสสว่างรู้ตื่นเบิก บ, บานเหมือนดวงไฟที่ท่านมองเห็นอยู่นี่ในตอนแรกๆมันไปลอยอยู่ในท่ากลางแห่งความว่างว่างอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในตอนนี้จิตของพระองค์อยู่ไปในคานทักขันขั้นอาตาส า, ารัญญายะสนะ ทีนี้ในเมื่อเจตไปลอยแเฟงคว้างอยู่ในในถ้ำกลางแห่งความอ่างว่างที่ไม่มีที่สิ้นสุดลงผนสดท้ายจิตตรงนี้ก็สลัาตัวเข้ามารู้อยู่ที่วิญญาณเรียกว่าวิญญาณญนายาตนะเจตมากำหนดโล้วิญญาณโดยอัตโนมัติจนกระทั่งวิญญาณละเอียดความสว่งวางกไบอะไรก็หายไปยังเลยสืเหลือแต่ตัวรู้อยู่เพียงเม็ดเดียวเกือจะไม่เหลือ สัญญาเวทนาอะไรดับไปหมดมีแต่ตัวรู้ที่ยังเหลืออยู่นิดๆภายในจิตเท่านั้นในตอนนี้ท่านพีท่าททนว่าสัญญาเวทีติโลติโลตสมัติเป็นฐานที่สร้างพลังจิตเพื่อเตรียมที่จะตรัสสรู้เป็นพระกุศลเจ็บในเมื่อพระจิตของท่านใช้สีสัท ธ, ธามาสร้างพลังงานอยู่ที่ตรงนี้ พอมีพลังจิต ท, ที่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้ น, นจิตแทรัศมีแห่งความสว่างสวัยออกมาทีน่นี่มีความสว่างสวัคลุมจักรวาลทั้งหมดพระอาทิตย์ที่ว่ามีแสงสว่างแสงสว่างของดวงอาทิตย์ส่องไปที่ตรงไหนถ้ามีสิ่งกำบงังแสงอาทิตย์ส่องลงไปไม่ทะลุ แต่แสงประเจดของพระพุทธเจ้าในขณะนั้นไม่มีอะไรเปิดบงังทำให้พระองค์มองเห็นโลกคือเบิแผ่นดินเห็นต้นไม้โพขาวราวกาเห็นคนเห็นสัตว์เห็นเทวดาอาินทรกยนนยักษ์มองเห็นหมนุษย์ตั้งแต่อาวีดจีมหานรกนนกระทั่งจตุตมโลกท่านอากนิ์หาปะตกม มองเราลรามามางร่างก็เห็นตัดคนฝักไปไปไม่มามีประเภทต่างๆกันบางก็เดินเอาหัวชี้ฟ้าบางก็เรื่อยทานบางก็สะเสือนสะสนไปอย่างลำบากมีรูปนางสิวพรรณวันณนะลักษณะหน้าตาแตกต่างกันตามประเภทของขันตัดนั้นในช่วงนี้ทำให้พระองค์ ได้ตรัสสรูค้ความจริงของสัตว์ทั้งหลายก่อนอื่นทรงบรรลุภพเทนิวาสารุตสติญาณแล้วประบรรลุจุตุปาปป า, ามม ต, ตาญาณธรรมสกตาญาณอสวรรคญาญาณในขณะที่ประจิตของพระองค์ลอยเด่นอยู่เหนือโลกแล้วก็มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในขณะจิตเดียวเท่านั้นเรววาพระเจ้าตรัสสรูร้ขณะจิตเดียว วัดเดียวใบทอดที่มันยังค้ากว่าตรัสโลในขณะที่จิตของพระองค์มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏอยู่ในจั ก, กรวาล น, นี้ในขณะนั้นพระจิตของพระองค์เพียงแต่รู้เพียงแต่เห็นโ้เห็นอย่างไม่มีสมมติปัญญ์ เห็นก่อนก็ไม่ว่าคนเห็นตัดก็ไม่ว่าตัดเข็นแผ่นดินก็ไม่ว่าแผ่นดินไม่ได้เฉยรูกเดียวทําไมมันจึงเป็นอย่างนั้นละ่ะเพราะในขณะนั้นจ็บของพระองค์อยู่เหนือโลกเป็นโลกุตระเสียงให้ปรากฏจัจเหตุในขั้นโลกรุตระธรรมนั้นไม่มีสมมติปัญญ์อ้าวถ้าอย่างนั้นคันเทศที่เราฟังกันอยู่นี่มาจากไหนละ่ะมันมาตอนนี้ ตอนที่พระเจตของพระองค์ถอนจากสมาธิขั้นละเอียดนี้มาแล้วภาพในเม ท, ที่มองเห็นทั้งหลายทั้งปวงนั้นหายไปหมดพอพระจิตดวงนี้มาสัมผัสรู้ว่ามีกายเท่านั้นพอเสร็จแล้วเจตดวงนี้จะทำหน้าที่อธิบายเหตุการ์ต่างๆที่เห็นในขณะนั้นโดยจะอธิบายว่าเออท่านผู้นี้ แต่งตัวอย่างนี้อยู่ในตะโนกนกัลปต์คือเราในชาติที่เป็นพระเวทสันดอนนอกพุ่มตัวใหญ่ๆที่ถูกไปเกือบจะถูกไปก็นั่นคือเราในชาตินั้นมาอธิบายให้ตัวเองฟังเมื่อถอนออกจากสมาธิมาแล้วแต่ในขณะที่รู้แจ้งเห็นจริงไม่มีภาษาที่จะพูดเพราะฉะนั้นในคัมี์พุทธประวัติจึงกล่าวว่า พระพุเจ้าบรรลุภคเพนิวาสานุสติญาณในปฐมมัยบรรลุตัตัวปาราติญาณกรรมสกตาญาณมิปาญาณในมัติมยัยบรรลุอาสวัคคายานในปฏิมยัยแต่แท้ที่จริงพระองค์บรรลุตั้งแต่ปฐมมันแต่ที่คัมภีร์เขียนเอาไว้ว่าบรรลุในปฐมยัยนั้น เหตุของพระองค์มาพิจารณาเรื่องภูเคณิวารสานุสติยันจบลงในปฐมมายาเนี้ยพิจารณาการจุติและการเกิดของสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นไปตามอำนาจของกรรมจบลงในมัดจิมายาแล้วก็พิจารณาเหตุปัจจัยที่จะให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมคืออาสวะอาศวะตัวนี้หมายถึงอวิชา อวิธาที่รู้ไม่จริงเป็นเ ห, นเหตุให้ทำกรรมทำกรรมตามที่ตนนึกว่ามันถูกต้องในเมื่อทำลงไปแล้วมันก็เกิดผลเมื่อเกิดผลแล้วก็ต้องผลอันนั้นแหละมันมีอำนาจที่จะส่งวิถีวิญญาณให้ไปผลไปเกิดในธาตุต่างๆทบต่างๆแล้วพระองค์พิจารณากิเลสตัวนี้จบลงในปัจจิมยา แต่ว่าการปรัสรู้นั้นอยู่ในกระดาบเดียวเท่านั้นที่มันใช้เวลาพิจารณานี้เพื่อการคบควรสิ่งที่รู้มาแล้วเท่านั้นแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่แน่พระไถร ย, ยังอุตส่าห์ไปประทับนั่งที่ใต้ไม้ยลาชายชนะอุตส่าห์ไปนั่งพิจารณาปฏิจจสมุปบาทอภิชาปัจจญาสังขารอาอวิชาเป็นเหตุ ให้มีสังขารสังขารเป็นเหตุให้มีวิญญาณวิญญาณเป็นเหตุให้มีนามโลกนามโลกเป็นเหตุให้มีอาจตนะอาจนะเป็นเหตุให้มีภาษาภาษะเป็นเหตุให้มีเวทนาเวทนาเป็นเหตุให้มีสันตสันหาสันหาเป็นเหตุให้มีอุปาทานอุปาทานเป็นเหตุให้เกิดภพภบเป็นเหตุให้เกิดชาติชาติเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งปวงที่ร่าชายเราทั้งหลายประสบอยู่ในความเป็นบาปารตัลสูลของพระพุทธเจ้า เข้าใจว่าเป็นอย่างนี้ตรัสรู้ในขณะที่เดไปลอยเหนืออยู่เหนือโลกตัดความงสงสัยข้องใจในธรรมะเด็ดขาดลงไปสิ่งที่ตัดสินใจเด็ดขาดลงไปนั้นไม่ย้อนกลับมาเป็นเหตุให้งใสงสัยข้องใจอีกอันนี้เรียกว่าวิปัสสนาเพราะฉะนั้นขอท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ได้โปรดพิจารณามตินี้ลองดูชื่อของการปฏิบัตินี้สมถะกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานอันนี้เป็นแต่เพียงชื่อของวิธีการเท่านั้นอย่าไปยอะให้มันมากนักเราปฏิบัติอันใดตามวิธีการของสมถะคือบอริกรรมภาวนาเท่งกติอันนี้เรียกว่าปฏิบัติตามวิธีการของสมถะ ถ้าปฏิบัติแบบชนิดที่ค้มคิดที่าจราหรือตามรู้อารมณ์จิตโดยที่สุดแม้แต่ว่ากำหนดสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับฐานดนื่มํำพูดคิดพุกขนาจิตพุกลมหายใจได้จือว่าปฏิบัติตามวิธีการของวิปัสสนาทางสองอย่างนี้จุดประสงค์ก็ให้เจนสวบเป็นสมาธิให้เกิดสติปัญญา สามารถพิจารณาสภาวะธรรมให้รู้แจ้งเห็นจริงตามกฎแห่งความเป็นจริงเพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะคิดว่าปฏิบัติสมถะให้มันได้ดีแล้วค่อยเจริญที่ปัสสาะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราปฏิบัติสมถะไม่ได้ดีล่ะชีวิตของเรามันสั้นไปเราจะไม่ตายก่อน เพราะฉะนั้นสมถาวิปัสสนาสองมิธีการนี่เราปฏิบัติไปพร้อมกันสมมติว่าเราภาวนาพโตโพโตอยู่เป็นการปฏิบัติตามวิธีของของสมถะแต่พอภาวนาพโพโตไปปั๊บเกิดมันติพโพโตมันไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาถ้าเราปล่อยให้เกิดของเราคิดไปมีสติไล่ตามรู้มันไปอันนี้เรียกว่าปฏิบัติตามวิธีการแห่งวิปัสสนา หลักที่ท่านควรจะกาหนดเอาไว้เป็นหลักไปพิจารณาเนี่ยถ้าสมมติว่าท่านจะถามอาตมาเดียวดีว่าอยากจะทำสมาธิทำอย่างไรอาตมาก็จะตอบว่าการทำสมาธิคือการทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกอะไรก็ได้เดินเดนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์ิ เราจะทำสิ่งเหล่านั้นได้เพราะจิตเป็นผู้สั่เมื่อจิตมันสั่งการอันใดลงไปเรามีสติสัมผัสลงไปเป็นการฝึกสมาธิอยู่ตลอดเวลาแล้วตอนที่จะจบนี้ขอฝากบรรดาท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการทำสมาธิ <c oughs> ให้มันสัมพันธ์กับการศึกษา ใจจะขอเล่าเรื่องอดีตให้ฟังก่อน <c oughs> สมัยที่สามารถเป็นสามเณรกาลังเริ่มเรียนบาลีจะเรียนเป็นท่านมหาในขณะที่ถือหนังสือบาลีเดินห้องไปห้องมาแบบเดินจงกรบท่านอาจารย์องค์หนึ่งก็มาทักว่าเน้ถ้าจะเรียนก็ตั้งใจเรียนจะปฏิบัติก็ตั้งใจปฏิบัติอย่าไปจับปลาสองมือมันไม่สำเร็จเดนี้กมาเกณว่าเอ เราจะเรียนไปด้วยทำสมาธิไปด้วยมันจะขัดข้องกันอยู่หรือก็เลยมาคิดว่าในตัวของอาจารย์ผู้สอนเนี่ยมีเด่นมีน้ำมีลมมีไฟมีอากาศมีวิญญาณเพรหลักแส่งกสิณมันมีกสิณดินกสิณน้ำกสิณไฟกสิณลมกสิณอากาศกสิณวิญญาณเราจะเอาตัวอาจารย์นี่แหละเป็นศูนย์เป็นจุดแห่งกสิณพออาจารย์เดินก็มาหน้าห้องแห่งสายตาไปที่ตัวอาจารย์ ส่องเกตไปรวมไว้ที่ตัวอาจารย์ทนต่อเนื่องกันทุกวันทุกวันทุกวั น, วนในขณะที่นั่งเรียนอยู่ในตอนแรกๆมันก็สับต้นรุ่นวายหน่อยพอเปิดไปจองตั้งตัวตั้งตัวทีนี้เราไม่ได้ตั้งใจอย่าว่าแต่เราจะไปจ้องอาจารย์เราเองเย็นใกล้ผ่านหน้ามันจ้องเอาจ้องเอายิงอาจารย์มาเยืนหน้าห้องจ้องปั๊บใจก็ไปไปอยู่ที่ที่ตัวอาจารย์ แต่เมื่อสดนานๆเข้าเนี่ยสายตาจะอยู่ที่อาจารย์แต่แราเป็นต้องรู้รู้สึกทางใจนี่มันจะมาอยู่ในตัวของเราเราเองมาตอนนี้นี่อาจารย์พูดอะไรอะไรจบประโยคก็ลองพักเด็เด็ดต้องเรามันมันคาดการร่วงหน้าได้ว่าต่อไปท่านจะพูดอะไรเวลาไปสอบอ่านรัฐธนูญจบขีดมันโล่งมากลงไปคําต่อมันก็ปวดขึ้นปวดต้นเขียนเอาเสียเอา บางท่านอาจจะเข้าใจว่าการภาวนาการทํำสมาธิภาวนาที่ตอกภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธเป็นสติถ้าเราจะไม่ภาวนาพุโทโธแล้วมันจะเิียดไหมละ่ะมันไม่เิีดหรอกเพราะจิตเป็นธาตุลโลหิตอแปลว่าโลในเมื่อเรามีจิตโลอยู่เราก็มีพุโทโธอยู่ทีนี้ในจิตของท่านทั้งหลายมีพุโทโธหรือเปล่า ตั้มโนโติท่านท่านมีความรู้สึกสำนึกผิดชอบตัวดีท่านก็มีพุทโธอยู่ในจิตถ้าท่านมีสติและเลิกรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาท่านก็มีพุทธอยู่ในจิตถ้าท่านมีเจตนาที่จะละความทุกข์เพฤติความดีท่างเกิให้บริสุทธิ์สะอาดอยู่เส ม, มอท่านก็มีพุทธะมีสังฆางคือประสงค์อยู่ในใจเพราะฉะนั้นใครมีความรู้สึกสำนึกผิดชอบตัวดีมีรู้สึกเบิกบาล ในความจำเลิกกี่ิตนักชก็ทัวดีอยู่ตลอดเวลามีฮิริโอสปาประจำใจตลอดเวลาค่นั้นได้เชื่อว่ามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์อยู่ในใจในบรรยายธรรมะมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่ภาลเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณประสิลธิรัตนใยและสิ่งตัดติด ท, ทั้งหลาย และเพออำนาจแห่ง บ, บุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วมบำเพ็ญเพื่อลำเลิกถึงลระเดชกุศลของพระบาทอาของสมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าเป็นบุญกุศลที่ดีจงดอบัณฑานให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภะละปฏิพ า, านธนสารสมบัติแม้จะปราศนาสิ่งใดๆก็ขอให้สมเด็จตามใจที่ปราศนาในที่ทุกข์ตาตลอดการทุกเมื่อเอือ